ขอความเจริญในธรรมจะมีดา่านผู้ฟังท่าไหร่แต่รมวงปพุติยานกำลังนำเสนอเรื่องสมากมันตะคือการงานชอบหรือความประพฤติชอบโดยกระจายศีลข้อที่หนึ่งคือปานาธิปาตาเวรมณีออกไปเปเห็นว่าในภาคสนามนคือภาคของการปฏิบัติจริงๆ แต่ว่าจิตใจของมนุษย์ได้พัฒนาขึ้นไปสู่จุดที่เรียกว่าเมตตาเอนดูและศีลข้ออื่นๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรอบของศีลห้าข้อเนี่ยจะรับการปฏิบัติไปเองโดยอัตโนมัติโดยที่บุคคลนั้นอาจจะไม่รู้ว่าศีลมันยัดไว้ยังไงโดยสัมพัตอนนี้เป็นเพราะอะไรเพราะว่าจิตที่กอบไปเมตตาเนี่ย จิต ท, ที่มุ่งประโยชน์เกื้อกูลต่อบุคคลอื่นจิต ท, ที่กระจัดความอาฆาตพยาบาทออกไปจากจิตใจจิต ท, ที่คิดส่งเสริมสนับสนุนสงเคราะห์โนเคราะห์แก่บุคคลอื่นเพราะเพราะว่ามีความรู้สึกรักมุ่งดีประรานดีต่อสรรพสัตว์ทั้งหลาย ปอจิตมนุษย์ถ้าปฏิบัติพัฒนาขึ้นไปได้ถึงจุดนี้มันก็วางใจได้ว่าในโอกาสต่อไปเนี่ยอาการทางกายทางวา จ, จาของเขาก็จะไม่สร้างปัญหาแก่ตัวเขาเองและไม่สร้างปัญหาแก่บุคคลอื่นทีนี้พอมาถึงเมตตาเนี่ยก็อยากจะเลยไปจนถึง เอนดูอีกข้อหนึ่งคือการุณาส่วนมากเราจะพูดควบกันไปว่าเมตตาการุณาเป็นอาการทางจิตที่บุคคลแสดงให้คนอื่นเขาเห็นแล้วก็สะท้อนออกมาจากจิตที่มีความเมตตานั่นแหละแต่ว่าสถานะของบุคคลได้เปลี่ยนแปลงไปคือตัวผู้บุคคลประสบความทุกข์ ประสบภัยประสบอันตรายพูดง่ายๆประสบทุกภัยโรคถึงตามปกติดาวโดยสัญชาตญาณแบบสัตว์โลกทั่วไปเนี่ยเวลาเองคนดื่มประสบปัญหาประสบทุกประสบภัยประสบอันตรายมักจะมองในแง่ของการซ้ําเติมก็เลยเพราะว่าพืชจิตที่กอบด้วยวิหิงสาคือความคิดเบียดเบียนเนี่ย ถ้าเรามองดูดีจค่ายกับสัญชาตญาณดิบของสัตว์โลกมาเรื่องสร้างปัญหาแก่ตัวเองสร้างปัญหาแก่บุคคลอื่นดูเรื่อยๆเพราะอะไรเพราะว่าเวลาคนเขาประสบ ป, ปัญหาคือน่าจะช่วยเหลือคือกุนเราลองสังเกตดูง่ายๆก็ได้นะฮะเช่นสมมติว่า คนเดินแล้วหกล้มเนี่ยคนเห็นอยู่มากเราจะพบว่าคนหัวรเราะนี่จะมากกว่าคนที่วิ่งเข้าไปช่วยเราสังเกตดูก็ได้หรือว่าคนที่เช่นสมมุติว่าเกิดสถ า, านภัยเกิดอุบัติเหตุรถชนหรือเกิดไฟไหมหรือน้ำลากเนี่ย คนจะกราเป็นพวกไทยมุง่งคืออยากดูมากกว่าคนที่เข้าไปช่วยนั่นแสดงว่ามันมีมาตวัดอะไรจิตใจของมนุษย์เราอยู่แล้วก็เขาก็เป็นเขาอย่างนั้นโดยปกติแล้วเนี่ยเขาก็เป็นเขา อ, อย่างนั้นคือตัวอย่างที่เราเห็นค่อนข้างชัดเนี่ยนะคือว่าจิตวิญญาณแบบสัตว์ดิเรกชันที่มันมีอยู่ เวลาสัตว์เดรัจฉานเขาประสบกับเหตุการณ์อะไรก็ตามให้ลองสังเกตเช่นสมมติว่าสุนัขเนี่ยมันเกิดฟัดกันส่วนใหญ่เนี่ยจะไปเสมอนอกคือจะไม่แสดงอะไรออกมาหรอกแต่จะอยู่เสมอนอกกอนเห่าหอนไปเรื่อยพอสุนัขสองตัวแกฟัดกันแล้วตัวหนึ่งมันละถูกฟัดอยู่ข้างล่าง มีข่าว่าจะเอาตัวไม่รดัดไอ้พวกพวกมูลนักมูงทั้งหลายเนี่ยมันจะวิ่งเข้าไปรุมกัดตัวที่หกลม้มมันแสดงเห็นอะไรแสดงเห็นถึงสัญชาตญาณดิบคือความเบียดเปยงเพราะในสิ่งเหล่านี้จึงบางครั้งบางคราวมนุษย์ก็คิดค้นขึ้นมาเพื่อตอบสนองสัญชาตญาณดิบบนตนเองจนกัดกิ จ, จ จัดกิจกรรมในลักษณะฮะหรือโคตรรุนแรงแล้วกลายเป็นเกมกีฬานะยางมีการเอาคนมาสู้กับโครกระทิงที่สเปนหรือบางครั้งก็เอาคนมาต่อสู้กันให้ตายไปข้างหนึ่งแล้วคนที่ฆ่าคนตายในพิธีที่ตกลงกันเป็นการต่อสู้เนี่ย แทนที่จะจะเป็นอาตยากรรมก็กลายเป็นวีรกรรมแต่รับการยกย่องชื่นชมจากบุคคลทั้งหลายมันเป็นอาการที่ค่อนข้างวิปริตคือผิด อ, อกกาดทานองคลองทำแต่ทำให้นึกถึงคากล่าวของนักปราชญ์เปอร์เซียท่านหนึ่งคือ ท, ท่านอากิมบมาเคยมที่เรียบเรียงคำพีรูบปาปยาต ก็มาไปลองอ่านดูคราวหนึ่งแต่อยังอ่านไม่ทันจบนะนรมันเกิดไปประทับใจในบทโครงบทหนึ่งซึ่งมันสะท้อนภาพลักษณ์ของสัตว์โลกว่ามันผิดปกติเยอะเพราะอะไรเพราะว่าพฤติกรรมอย่างเดียวกันเนี่ยแต่ถ้าคนที่ทำเป็นพวกของตัวเอง หรือสมมติให้มีอำนาจมีหน้าที่ในการกระทาเช่นนั้นจะรับการยกย่องรับการยกย่องชื่นชมยินดีจากบุคคลทั้งหลายแต่ในขณะเดียวกันถ้าคนซึ่งตนเองไม่ชอบไปทำพฤติกรรมเหล่านั้นอาจจะไม่แรงมากก็ได้แต่ว่าคนก็จะตำหนิทุ่งจริงแล้วกล่าวหาจนจนมีการปราบปราม อาจจะถึงเอาไปยิงป้าวก็ได้นะฮะหรือต้งใช้คำว่ามหาโจรเที่ยปล้นฆ่ามหาชนดาวบาทราชทันปรนปราบป้องโดยเฉพาพฤติกรรมแบบมหาโจรมันคือประทุษร้ายต่อชีวิตประทุษร้ยต่อทรัพย์แล้วก็อาจจะโกหกหลอกลวงประทุษรายในทางเพศคือสรุปว่ผิดศีลห้านะะพวกโจรก็ผิดศนะีลห้าน ถือเป็นอายากรรมที่จะต้องปรับปรามจะต้องเข็นฆ่าทำลายล้างขุดรากถอนโคนกันไปแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยคนซึ่งได้รับแต่งตั้งมอบหมายให้กระทำกรรมอย่างเดียวกันเช่นกองทัพยกไปปรับปรามฆ่าศัตรูแล้วก็ฆ่าฆ่าศัตรูได้มากยึดครองพื้นที่ได้มาก เราก็ยึดทรัพย์สินเงินทองของต้องถินเหล่านั้นได้บากงคือเราลองสังเกตนะฮะมันผิดศินทั้งนั้นเล ย, ท, ยทั้ำลายชีวิตก็ผิดศินข้อที่หนึ่งยึดเอาทรัพย์สินของเขาก็ผิดสินข้อที่สองคือไม่มีความชอบธรรมที่จะไปยึดอ่ะไม่ว่าโดยเหตุผลอะไรก็ตามอย่ในแง่ของธรรมะนะฮะไม่ใช่แง่สังคมแล้วบางครั้งบางคราวในสมัยโบราณก็มีมเมียเฉลย หมายความผู้หญิงที่ตกเป็นเฉลยแล้วก็พวกนี้ก็เอามาเป็นธาตุด้วยแล้วก็เป็นเชลยด้วยไป็ใช่เป็นพันยาด้วยเป็นเฉลยด้วยเนี่ยคือแสดงว่ามนุษย์มันก็หาทางแก้ต่างให้แก่ตัวเองมาตลอดคนกลุ่มนี้เวลาไปทํากรรมอย่างเดียวกับที่มาโจนก็ทําแล้วก็รุนแรงกว่าผลเสียหายมากกว่านะฮะการทําลายล้างมากกว่าคก็อบอกว่ามาลาศ ญาติอโหนพระชนมหาราชละพ่อชงชกการราชเด็ก้องเปรียดกันนั้นขันใหม่ซึ่งรเราเห็นว่ากองทัพที่ยกไปย่ำยีคนอื่นเี็ยไม่แต่การต่อสู้กันอย่างทุกวันที่เราได้ยินไดวฟังมันก็ยังไม่อื่นแต่จากการผิดศีลห้าเป็นการประทุษร้ายต่อชีวิตประทุษร้ายต่อทรัพย์ประทุษร้ายในทางเพศโกหกรุงแต่งสร้างข่าวเท็จ ออกมาในลักษณะต่างๆพวกแพ้ก็กลุ้มใจก็ดื่มเหล้าชนะดีใจก็ดื่มเหล้าก็ผิดศีลวนเวียนกันอยู่อย่างเงี้ยกี่ครั้งกี่หนก็ผิดศีลห้าข้อแต่คนเหล่านี้กลับเป็นวีรชนการกระทําของเขากลายเป็นวีรกรรมคนทั้งหลายจะแสดงความชื่นชมยกย่องเขาเพราะอะไรเพราะว่าเรามีโมฆะและก็มีวิหิงสา คือความคิดเบียดเบียนแล้วพยายามให้ความเป็นธรรมแก่ตัวเองแลถามว่าในพูดในแง่ธรรมะนี่ว่าถูกต้องไหมเราก็จะเห็นว่ามันไม่ถูกต้องทำไมเราไปตั้งกฎเกณฑ์ออกมาในลักษณะอย่างนั้นเอาสัตว์มาชนกันแล้วเราก็เชียร์สัตว์ให้มันชนกันเอาไก่มาชนกันเอาปลามากัดกันเอาโคมาชนกันแลแ้วเนี่ยนะฮะ ทั้งหลายนี้เยอะเลยนะที่ที่ที่เราทํากันโดยเนี้มันตอบสนองสัญชาติยันดิบคือการคิดเปลี่ยนแล้วเมื่อสร้างกระแสขึ้นมาได้เนี่ยสังคมก็ยอมรับว่านะั่นคือความถูกต้องเรากลายเป็นกระแสทางสังคมแต่พอมองในแง่ธรรมะแล้วจะมีความชัดเจนว่าตรงนี้ผิด ค, คิดผิดตั้งแต่ตรงนั้นมาเลยเวลาคนหกล้มเนี่ย เวลาคนประสบทุกภัยโรคเนี่ยเราจะต้องมองเขาด้วยความสงสารไม่ใช่ไปมองเขาด้วยความสะใจหรือต้องการจะซ้าเติมยังเวลาเนี้ยมีความเลวร้ายที่รุนแรงมากยิ่งขึ้นเวลาเคยดูัติเหตุทางเรือทางรถทางเครื่องบินอะไรก็ตามนะฮะที่อะไรลักเรื่องบินเฮาได้บริษัทเฮาได้ที่ตกแถวอะไรทังสุพันธ์ทีนึงทยนเงินทองเข้าของหายเกลื แม้แต่เจ้าของก็ตายเนี่ยคือน่าจะสงสารคนตายแล้วก็รวบรวมเก็บทรัพย์สินเงินทองเหล่านั้นให้ญาติเ้มเอาไปแต่พระใจที่มีความโลภมีความคิดเบียดเบียนแล้วก็มีโมหะบิดบังเหตุผลสติปัญญาอยู่ทาให้การเหล่านี้แล้วก็ปรากฏอยู่ในที่ต่างๆทั่วโลก แต่ที่เมืองอื่นก็แแต่ว่าสิ่งที่น่าเสียดายก็คือชาติบ้านเมืองของเราที่เป็นดินแดนแห่งภาคการสวพัสดเป็นสยามเมืองยิ้มมันก็ไม่ง่ายจะมีเหตุการณ์ในลักษณะนั้นเกิดขึ้นการรุจร้ายต่อชีวิตก็ได้แสดงให้เห็นถึงว่าจิตมันขาดไม่ตาขาดเอ็นดู พอขาดเมตตามันก็ขาดเอ็นดูนะฮะพอตัวหลักจริงๆมันก็อยู่ที่ถ้าเราเมตตาได้เนี่ยเราก็เอ็นดูเขาของใครก็ตามที่เราเมตตาเราก็จะเอ็นดูคนที่เรารักเราจะเอ็นดูเขาเวลาเขาประสบความทุกข์นี่จะเกิดความสงสารต่อเขาเกล้าจิตเนี่ยเป็นจิตที่ทําได้ค่อนข้างยากเพราะว่าความเบียเดเบียนเนี่ยมันจะวิ่งแซงไปแ้วก่อน วิ่งแสงหน้าไปซะก่อนแล้วถ้าหากว่าคนนั้นเรารักไถ่ปลกพันอยู่เนี่ยบางทีมันก็เสียเรื่องเพราะมันกลายเป็นโสกะเช่นสมมุติญาตพี่น้องก็เราตกน้ำเนี่ยแทนที่จะรีบช่วยในเต้นร้องหมร้องไห้ตะโกนโวววายโวเวกตายพอดีเลยคือเรื่องบนเรื่องมัอย่างขำขำแม้ในคัมภีร์พระพุทธศาสนาของเราเองเนี่ยเคยพบว่า หรือท่านจะพูดในแนวของวินัยนะนะแนวของวินัยเรื่องจับต้องเพศตรงกันข้ามจับต้องผู้หญิงเนี่ยท่านปราบปรบังกาธิเศตแต่จริงๆริงวินัยเนี่ยงแสดงว่าภิกษุมีจิตกําหนัดจับต้องการหญิงต้องสังกาธิเศตจิตต้องกําหนัดนะจิตคือมีความกระสานมีความต้องการในทางเพศแล้วก็จับด้วยจิตที่กาหนด คือไม่ได้พูในกรณีอื่นไว้พอดีเหตุการณ์ในยุคสมัยสรงนั้นมันก็ไม่มีกรณีศึกษาก็ทําให้เราไม่รู้ว่าสมมติว่าผู้หญิงก็ตกน้ําพระช่วยเนี่ยจะเป็นอะไรไหมผู้หญิงก็เปิดเกิดเป็นอันตรายขึ้นมาวิ่งหนีอันตรายมาแล้ววิ่งเข้าไปในห้องของพระพระอยู่รูปเดียวเนี่ยจะปราบบติไหมอะรต่ออะไรเนี่ยคือสถานการณ์เหล่านี้มันไม่มี ไม่มีให้เราใช้เป็นเครื่องมือแต่ถ้าเรามองไปที่เจตนารมของบทบัญญตัติของพระวินัยเนี่ยจะเห็นชัดเจนว่าท่านพูดเรื่องจิตกนัดเท่านั้นเวลาท่านอธิบายท่านไม่ได้นิดถึงเจตนารมของการบั ญ, ญตัตดิศึกษาบทและสะภาวะทางจิตของผู้ที่กระทำกรรมเช่นนั้นเช่นยกตัวอย่างว่าแม่เราตกบอ่อนะแม่เราตกบอ่อน้องสาวเราตกบอ่อพี่เราตกบอ่อยาเราตกบอ่ออะไรแต่ไรเนี่ย เพื่อท่านบอกว่าอย่าไปจับต้องให้ค่อยๆโรยเชือกโยนลงไปแล้วไปอย่าบอกให้แม่จับพอแม่จับแล้วก็ค่อยๆดึงมาโดยมณฑิการว่าดึงบริขารคือมาแปลตั้งแต่บวชใหม่ๆมันก็ขามบัวรอกากเลคือพูดได้นะฮะแต่ว่าตายหมดแล้วพูดได้แต่มันทําไม่ได้เพราะใน ลักษณะเหล่านี้บางทีเนี่ยเราก็ไม่ได้มองให้เกิดความเข้าใจว่าไอ้ตัวเจตนาเนี่ยจะเป็นเรื่องใหญ่มากถ้าไม่เจตนาก็ไม่ได้ถือว่าเป็นกรรมการจะปรับเป็นอบัติหรือไม่เป็นอบัติเนี่ยมันก็ดูที่ท่านมีเจตนามีความรู้สึกยังไงกระทาให้สมมติว่าเกิดเหตุการณ์จริงนะสมมติว่าเกิดเหตุการณ์จริงขึ้นมา แล้วพระทำเฉยคือไม่ยอมช่วยเช่นเช่นว่านั่งเรือไปด้วยกันนั่งเรือข้ามภาคไดยกันแล้วก็มีผู้หญิงตกน้ํำลงใกล้ๆพระนั่นแหละพระก็กลัอบดับแต่ไม่ยอมช่วยอย่าวนึกดูว่าชาวบ้านเนี่ยก็จะมองพระยังไงแต่สังคมไทยไม่แน่เหมือนกันนะพูดยากสังคมไทยเนี่พูดยากเหมือนกันพระนั้นอาจจะเสียคนก็ได้ ในแง่ที่ไปจับต้องผู้หญิงหรืออาจจะรับการยกรกองสรรเสริญก็ได้ในแง่ที่ไปช่วยผู้หญิงคือจะถือว่าจับต้องหรือถือว่าช่วยล่ะเดีเจตนาของท่านเป็นเจตนาช่วยนั้นในในกรณีของสิกขาบททั้งหลายเนี่ยให้เราลองสังเกตว่ามันต้องใช้เขาเรียกว่าสัจิตระกะคือจงใจเมื่อจงใจมันต้องมีองค์ประกอบในความจงใจแต่ว่า บางทีมันมันมั น, ม, นมันไปไม่ค่อยทันอย่างที่ว่าเนี่ยคือวิหิงสาวความเบียดเบียนเนี่ยมันแซงหน้าไปเสียก่อนแล้วก็ทำให้รู้สึกสุขใจพอใจชื่นใจที่ได้เห็นความพิบัติเดือดร้อนในลักษณะอย่างนั้นเพราะแนวการซ้้นเติมต่างๆเวลาคนประสบอุบัติเหตุต่างๆโดยเฉพาะทางรถทางเรือเนี่ยนะฮะ มันมีมากนะครับข่าวๆวในลักษณะนี้เป็นเรื่องที่น่าสลดกแต่ทีนี้ตรงนี้ถ้าเราเมตตาได้เนี่ยนะอย่างที่บอกไว้แล้วว่าเมตตามีสัตว์มีสัตว์ทั่วไปเป็นอารมณ์มันถ้าเราแสดงความรู้สึกเมตตาต่อคนต่อสัตว์ทั้งหลายได้พอเขาประสบทุกภัยโรคขึ้นมาประสบอันตรายอะไรก็ตาม แล้วก็จะเกิดความรู้สึกกรุณาลักษณะกรุณาเนี่ยมันเป็นปฏิบัติต่อวิหิงสาคือความคิดเยียดเดียดยอาการของ ก, ร, กรุณาเพื่อนบอกว่ามีความต้องการมาบัดความทุกข์ของคนอื่นเป็นลนักษณะเป็นใจที่โอบอ้อมอารีเ อ, อเื้อเฟื้อเผื่อแผ่มุ่งดีปรารถนาดีต่อบุคคลอื่น เป็นคุณภาพของจิตที่มีธรรมะเป็นเรือนใจเป็นหลักใจแล้วก็มีความพร้อมที่จะกระทาในลักษณะอย่างนั้นเพราะงั้นอาการเหล่านี้เพิสังเกตว่าถ้าเราไม่มีเมตตา ม, มาก่อนเนี่ยเราก็ทำไม่ได้มาความบุคคลคนนั้นถ้าเราไม่เมตตาเขาเนี่ยเราทำอย่างนั้นไม่ได้คือต้องการที่จะบำบันทุกข์ก็จะทุกข์ให้แก่เขาไม่ได้ มันอาโลภพมันอาจจะแซงวิหิงสามันอาจจะแซงหรื อ, อจจรว่าโสกอาจจะแซงแม้แต่เราักเนี่ยความโศกอาจจะแซงแล้วก็ทำให้เสียเสียเรื่องหมดเชนว่ายาาพี่น้องตกน้ำเนี่ยในยกตัวอย่างเนี่ยวายวเวเกือเสร็จพอ ด, ดีตายพอ ด, ดีแต่ถ้าตรงนั้นเน่ยกรุณ า, าจิตมันเป็นฐานไม่ตาจิตมันเป็นฐานเนี่ยคือจะช่วยทันทีเลยแต่ว่าต้องฉลาดนะ เพราะว่าธรรมะถ้าเราลองสังเกตได้ดูให้ดีว่ามันจะมีปัญญากำกับทุกครั้งที่ใช้เนี่ยเราเรียกว่าใช้เป็นมีคำคำหนึ่งที่เราพบบ่อยๆสมชัยกับว่าธรรมานุธรรมะปฏิปนโนโหจิตเป็นผู้ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมและบางครั้งก็ขยายปฏิบัติชอบยิ่งปฏิบัติตามธรรม แสดงว่าก่อนที่จะลงมือกระทําเช่นนั้นก็ต้องมีปัญญาเข้ากับจิตใจกันได้เสียก่อนวันเกลนาเนี่ยเกลณาจิตจะไม่อดกัน้นจะไม่อดทนต่อทุกกเวทนาของคนอื่นเห็ น, จจ น, หนทุกแล้วจิตใจจะอ่อนไหวเห็นเขาประสบความทุกข์แล้จิตใจจะอ่อนไหวไม่เคยนึกถึงตัวเองนะฮะบางทีเสี่ยงภัยเสี่ยงอันตราย แล้วคุณสักษณบัตเหล่านี้บางทีมันก็อยู่กัสามัญชนชาวนาตาสีตาสากรมมกรธรรมดาธรรมดานี่แต่ว่าจิตใจเขามีความหนักแน่นพอเห็นคนอื่นประสบความทุกข์แล้วก็เกิดสงสารซึ่งก็อาจจะไม่เมตตามมาก่อนอะ่ะแต่ว่าพื้นจิตที่เขามีเ ม, มตตาต่สัตว์เนี่ยพอเขาประสบความทุกข์เขาก็ ทนไม่ได้เห็นคนอื่นประสบความทุกข์ทนดูไม่ได้แล้วก็ช่วยทันทีคือใครจะว่ายังไงก็ว่ากันไปนะอย่างยกตัวอย่างสมมติเราเป็นพระเนี่ยเราไปเจอเหตุการณ์อย่างนั้นขึ้นมาเนี่ยเราก็ช่วยไปก่อนแหละคือใครจะมองยังไงก็อีกเรื่องหนึ่งเราเพียงแต่ว่าไม่มีเจตนาไม่มีความรู้สึกให้ผิดแพกออกไปเป็นกรุณาคือหวังอนุเคราะห์ช่วยเหลือคือกูลแกบุคคลอื่น แล้วก็จิตนั้นจะต้องไม่มีแม้แต่ความคิดในทางเบียดเบียนนะปรากฏให้เห็นภายในจิตเรื่องบางเรื่องเนี่ยคือเขาประสบทุกประสบภัยประสบอันตรายไปแล้วนะอย่างข่าวคราวที่เรื่องการปลดปฏิรารูปหนึ่งซึ่งว่าที่จริงมันเป็นเทอมนะฮะมาทต่ลมาโกมนเป็นเทิม จริงท่างก็ออกมารูกกี่ครั้งแล้วน่ะหมดเธอมารู้จกกี่ครั้งแล้วแล้วซื้อพิม์จะมาสัมภาษณ์อย่างเงี้ยเรถามพูดทำไมคือไมาไปซ้ําเติมว่าทําไมเราไปพูดกันทาไมแล้วก็เหมาะสมเลแล้วเขาเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องของผู้ใหญ่สมาก็บอกว่าเป็นเรื่องของหมาที่สมาคมเราไม่เกี่ยวไม่มีความเห็นเพราะถ้าเราไปแสดงความเห็นมันแค่แ่ไปซ้ําเติมไปกระทุบนขอน แล้วปัญหามันได้อะไรขึ้นมากีข่าวครา ว, ข, าวของนักข่าวเนี่ยบางทีแกไม่ได้คิดแต่มันถามมาคุณจะได้อะไรคุณจะได้อะไรขึ้นมาจละลักษณะอะไรรายการไทยไอทีวีที่ชอบย้อนรอยอะไรต่ออะไรย้ยอนรอยเนี่ยดีทําไมเธอไม่เอาเรื่องดีๆมาย้อนบ้างหลายเอยทําไมเธอย้อนแต่เรื่องที่มันเสียหายต่อองค์กรต่อสถาบันต่อบุคคลตัวแสดงไม่ได้เจตนานดีต่อสังคมอะไร แต่เป็นเจตนาต้องการสะใจคือมันได้เบียดเบียนนะฮะได้เบียดเบียนคนอื่นสะใจที่ได้ซ้ําเติมคนอื่นได้กระทืบคนอื่นจริงๆก็าหากว่าภารกิจเหล่านี้เราทําโดยมีพื้นฐานความรู้สึกเมตตากรุณาต่อคนอื่นโดยเฉพาะยิ่งคือเมตตามีสัตว์ทั่วไปเป็นอารมณ์กรุณามีสัตว์ประสบความทุกเป็นอารมณ์เนี่ยพวกเรานี่ยเราทำได้สองอย่างนะเนี่ยคือถ้าช่วยไม่ได้ก็อุเบกขาแต่ช่วยได้ก็ช่วย ถ้ามีเงินผิดทั้งนั้นมันไม่ใช่ธุระไม่ใช่หน้าที่ที่จะต้องไปทำแต่ว่าคนอาศัยความเดือดร้อนของบุคคลอื่นเป็นเครื่องมือในการแสวงหาทรัพย์สินเงินทองเพื่อปลนปรือตัวเองบำรุงมเรตตัวเองนี่ก็เป็นความคิดที่น่าเสียดายเพราะฉะนั้นการุณาเนี่ยจะเกิดเวลาคนประสบสัตว์คนนะฮะสิ่งมีชีวิตเนี่ยประสบทุกข์ภัยโรคเนี่ย ก็จะเกิดเป็นตัวกระตุ้นเร่งให้เกิดกรุณาซึ่งดูแลใกล้ยๆจะง่ายแต่ที่จริงไม่ง่ายดังกล่าวเพราะว่าใจมักจะเหวี่ยงไปสู่วิหิงสาเสียก่อนพดัง น, นั้นถ้าเราจเจริญเมตตาคือรักษาศีลเจริญเมตตามาจนจิตเป็นกรุณาได้เนี่ยต่อไปปรมิหารข้ออื่นสองข้อก็อจะบังเกิดติดตามมาได้เองในกรณีที่ต้องใช้มุทิตากรณีที่ต้องใช้เบียร์ขา ตามสุขควรแก่กรณีดัา น, นั้นต้องฟังทั้งหลายแต่รประปฏิญาณในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเป็นเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญห้องงามไผ่บุญในธรรมจงมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทัวกันสวัสดี